อยู่วัดนี้ก็มีซึ่งเป็นอาคัรทุกขะเพิ่งมาอาศัยอยู่ก็มีก็ร่วมแต่เป็นนักบวชซึ่งพยายามหาความสงบด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> ในความประหที่แท้จริงนั้นพวกเราทั้งหลายจงเข้าใจ ไอ้อความสงบอย่างแท้จริงนั้นพ้าพุทธ อ, องค์ตรัสว่าเม่ได้ไปอยู่ข้างไกลจากพวกเรามันอยู่กับพวกเราแต่พวกเราทั้งหลายนั้นก็มองข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอต่างคนก็ต่างมีอุบายที่จะ หาความสงบนั่นเองแต่แล้วก็ยังมีความฟุ้งซ่านํนำคาญไม่ถนัดใจอยู่ก <c oughs> ็ยังไม่ยังไม่พอใจยังไม่ได้รับความพอใจในการปฏิบัติของตอนเองคือยังไม่ถึงเป้าหมายที่พวกเราจะต้องปฏิบัตินั่นเอง อียบก็นหนึ่งวมาเราเดินทางออกจากบ้านเราแล้วก็เลื่อนไปสารพัดแห่งแตก่ก็เหมือนแต่คนที่เดินออกจากบ้านไม่มีความที่สบายแม้จะไปรถจะไปเรือจะไปที่ไหนอะไรก็ตามทีแต่ยังมันก็ยังไม่ถึงบ้านเราเมื่อเรายังไม่ถึงบ้านเรานั้นก็เรียกว่า ก็ยังไม่ค่อยสบายก็ยังมีภาะระผูกพันอยู่เสม อ, อมนี่เรียกว่าเดินยังไม่ถึงบ้านหลอกไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็เลล่อนไปในทิศ ต, ต่างเรียกว่าสแสวงหามโมกะธรรมยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุสามนเณรเหล่า น, นี้เป็นตัวอย่าง ใครก็ต้องการความสงบฮาความสงบนั้นตลอดพักทันทางไายถึงผมก็เหมือนกันอย่างนั้น อ, อไม่เป็นที่พอใจไปที่ไหนก็ยังไม่เป็นที่พอใจเข้าไปใิป่านี่ก็ดีไปกราบอาจารย์นั้นก็ดีไปฟังธรรมใครก็ดีก็ยังไม่ได้รับความพอใจ อ, อ, อ, อ, อันนี้มันเป็นเพราะอะไรนี่ให้เราเข้าใจ หาความสงบไปอยู่ในที่สงบไม่อยากจะให้มันมีเสียงไม่อยากให้มีรูปไม่อยากให้มีกลิ่นไม่อยากจะให้มีรสอยู่เงียบเงียบอย่างนี้เนียกว่า ม, มันจะสบายเนึ่ยกว่าความสงบมันอยู่ตรงนั้นที่ความเป็นจริงนั้นเราไปอยู่เงียบเงียบไม่มีอะไรนั่น มันจะรู้สึกอะไรไหมมันจะรู้สึกอะไรมลองลองคิดดูสิตาของเรานั้นน่ะถ้ามาเห็นโูกมันจะเป็นยังไงไหมหูเราเนี้ยถ้ามาได้ยินเสียงมันจะเป็นยังไงไหมจะโมกนี่ทําไม่มีกลิ่นมันจะเป็นยังไงไหมริ้นเราไม่รู้จับรถมันจะเป็นไงไหมร่างกายไม่ กระทบโหตระที่ถูกต้องอะไรมันจะเป็นอะไรยังไงไหมดูที่ดูใกล้ๆเรานี่แหละถ้ามันเป็น้นนั้นน่ะมันก็เป็นแค่คนตาบอดเลยนคนหูหนวกนะคนจมูกขาดเลยลิ้นดุดไปนะกายไม่รับรู้อะไรเป็นอมาพาตไปเลย มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเออนี่แต่ใครก็ต้องการอยากจะคิดอย่างนั้นอยากจะไปอยู่ที่ว่าอะไรมันไม่มีอะไรวุ่นวายเอออย่างนั้นใอ้ความคิดอย่างนั้นเคยคิดมาเคยคิดเคยคิดมาในสมัยผมนะเป็นพระปฏิบัติใหม่ๆอะไปนั่งสมาธิตรงไหนอะ เสียงมันก็อือมันไม่สงบเลยเนะ่อก็คิดผ่านไปผ่านมาเสมอว่าจะทํำไงนาะน่ะมันไม่สงบก็ต้องหาที้พึ่งมาปั่นที่พึ่งกลมๆเสาะอดกาไปในหูน่ะไม่ได้ยินอะไรไม่ได้เสียงอือนะน่ะนึกว่ามันจะดีเนะ่ะนึกว่ามันจะสงบเนาะเปล่า ไม่ใช่มันเป็นทีหูอีกแล้วมีความปรุงแสงอยากจะนั่งให้มันสงบสงบร้านวัดก็ไม่อยากจะไปปวดมันอะไรก็ไม่อยากจะทำมันอยากอยู่เฉยๆให้หาความสงบอย่างครูบาอาจารย์ช่วยจิตวัด ที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ลงไปก็เพราะว่าเห็นว่ามันมันเป็นงานภายนอกไปผมเคยยกให้ฟังบ่อยๆเช่นาอาจารย์ชิโนนซึ่งเป็นบุกศิษย์ผมแกมีทัศนามากที่ดุดตั้งใจมาปฏิบัติละวาม ความ ส, สนุกพุมกอสนในละไ้วางท่านก็เข้าใจงหมนนหมาละวางทั้งหมดอยากจะมันจะดีใอความเป็นจริงนั้นแต่ก็มาอยู่ด้วยไม่ต้องอยากจะทำอะไรเมื่อลังคากิะจะลมันพัดออกไปตกไปข้างหนึ่งที่หนึ่งท่านก็เชื่อท่านอันนี้มันของภายนอกน ะ, ะไม่เอาใจใส่แดด ผลมาทางโน้นท่านบอกพิกมาทางนี้ท่านเอาไปเรื่องของท่านเรื่องของท่านมันเรื่องจิตสงบเนี่ยเรื่องรลังคามันรั่วไม่ใช่เรื่องของท่านอืมมันขัดข้องมุ่นวายมันเป็นภาระเนี่ยเอออันนี้คือความพูดถึงความเห็นเนียมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งผมก็เดินเดินไปไปพบลังคามันตกหั ต้องก็ถามถึงนี่กติสของใครมาของแทนอาจารย์สีนวนมแต่กนะ็เลยพูดกันอธิบายอะไรต่ อ, อรายการได้อย่างเซนาสนาวันะที่เราอยู่นะัน่นนะคนเราต้องมีที่อยู่ที่อยู่เป็นยังไงก็ต้องดูมันนะไม่ใช่ว่าเราหาเอาอะไร การปล่อยวางไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอืมไม่ใช่ว่าเราปล่อยเราทิ้งอันนั้นมันลักษณะที่คนที่ประมาทไม่ดูเรื่องมี่หัดจะรู้ว่าฝนตกมาเอาดิตกทิกไปอยู่โน่นเหรทําไมไปอยู่โน่นแดดออกมาตงรงทิ้งไป้างโน้นอีกแล้วทําไมเจ๊งั่นละ่ะถ้าไม่มีปล่อยมันไม่วางอะนนี้ฝนโอ้เสพในความกันใหญ่ครับท่านก็พอใจเออเรา เราคล้อยบางทีเทศให้เรายึดมัน่นบางทีเทศให้เราปล่อยวางไม่รู้ว่าจะเอาอะไรยังไงนแต่ตลอดถึงร่างากากติมันตกลงไปเราก็ปล่อยประวางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไม่ให้หยุดไม่รู้ว่าจะทํำยังไงมันจึงจะถูกดูสิคนเนี่ยนะนี่มันเป็นอย่างนีไง การปฏิบัติมันมันโง่อย่างนี้ตาเรามันมีรูปไหมถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอกตาเรามีรูปไหมรูปมีในตาไหมหูเรานีมีเสียงไหมถ้าเสียงข้างนอกไม่มากระทบแล้วมันจะมีเสียงไหมจมูกเรามันจะมีกลิ่นไหมถ้าไม่อาศัยกลิ่นข้างนอกตัว ม, มันจะมีกลิ่นอะไรไหม ริ้นเนี่ยมันจะมีรสไหมเจ้าอารินน่นอ่ะมันจะมีรสไหมมันต้องอาศัยรสภายนอกมากระทบมันถึงมีรสเย่งนั้ น, นตายหมดจะอายตนะตายตาหูจมูกลิ้นกายตายหมดก็เลยเป็นคนที่บาทไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นดูรืนเหตุมันอยู่ตรงไหนไหม เรามองดูที่เรียกว่าพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุถ้าหูเราไม่มีแล้วมันจะมีโอปราสจะได้ยินเสียงไหมตาเราไม่มีมันจะมีเหตุที่จะเห็นรูปไหมตาหูจมูกดิ้นกายใจนี่มันคือเหตุพระท่านบอกว่าธรรมมันเกิดเพราะเหตุเมื่อจะรับ ดับไปก็เหตุนี่มันดับก่อนผลมันถึงดับเมื่อผลมันจะมีนี่ก็เหตุนี่มันมีก่อนก้าผลมันถึงตามขึนมามันมีที่เหตุผลมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าความสงบนั้นอยู่อย่างนั้นมันจะมีปัญญาไหย ม, มันจะมีเหตุมีผลไหมสาหรับที่เราจะต้องปฏิบัติ หาความโกรกมันจะมีอะไรั้ยไปอยู่สถานที่ว่าไอ้ถ้าเราไปให้โทษเสียงไปนั่งที่ไหนมีเสียงก็ก็ไมสบายใจนะซึ่งตะกี้นี่ไม่ไม่ไม่ดีนี่ที่ไหนมีรูปวันเดียวที่นี่ไม่ดีไม่สงบอะไรที่ไหนนะเนี่ยอย่างงั้นก็ต้องคนเป็นคนอายตนะหายหมดตาบอหดหูหัวอืว จิงๆผมทดลองดูอย่างนั้นก็คิดไปเออมันก็แปลกเหมือนกันนี่มันไม่สบายเพราะตาหูจมูกเปี่นกายจิตนี่แหละหรือเราจะเป็นคนมีเจตสุบอดนะดีมันไม่เห็นอะไรดีมันจะหมดกิเิสที่ตรงเด็กเจตสุมันบอดใช่ไหมไม่เห็นลูกหรือหากว่าโหูมันหนักมันเป็นมันจะหมดกิเลสที่ตรงนั้นใมะไหม ลอง่องดูที่นนไม่ใช่ทั้งนั้นแหอืเพราะั้นคนตาบอดก็สมเด็จอรหรันเนี่ยคนหูหงอกก็สมเด็จหมดแล้วตาบอดหูหมวกเป็นหมดถ้าหาักขกเด็มันเกิดขึ้นตรงนั้นอันนั่นคือเหตุมันเหตุถ้าเรามันเกิดจากเหตุตรงนั้น เรา้องจัดตรงนี้เหตุมันเกิดตรงนี้เราพิจารณาจากเหตุนี้อไอความเป็นจริงอายินรนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นของที่ให้เรารู้เรื่องตามความจริงให้เกิดปัญญ า, าเราไม่ดูเรื่องนิ่ที่นั้นเราจะจะตัดปฏิเสธเลยว่าไม่อยากจะเห็นรูป ไม่อยากจะเห็นรูกไม่อยากจะฟังเสียงไม่อยากจะอะไรทั้งนั้นว่ามันวุ่นวายที่ตรงนั้นเราไปตัดเหตุมันดอกเสียเลยวแล้วจะเอาอะไรมาพิจารณาล่ะลองลองสิอะไรจะเป็นเหตุเนอะอะไรจะเป็นเบื่องต้นทางตางเบื่องปล า, ายมันจะมีไหมเนี่ยอันนี้คือความคิดผิดของเราทั้งหลายนั่นคือ่าอาจารย์ท่านเป็นสังรวม การสังรวมนี่ล่ะมันเป็นศิลปศิลสังวรตาของจมูกเบี้ยแต่เป็นศิลป์เป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในที่อันเดียวกันนี้อศิลอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนศิลอยู่ที่นั่นสมาธิอยู่ที่ไหนศิลปก็อยู่ที่นั่นศิลอยู่ที่ไหนสมาธิก็อยู่ที่นั่น มันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันก็เดียบฝักมือทั้งสองเรามือซ้ายก็ดีมือขวาก็ดีเราจะล้างมือเอามือต่อมือนึงล้างกันเช็ดกันถูกันรักษากันมันก็สะอาดเหมือนล้างมือด้วยมือเหมือนเราล้างเท้าเวยเท้าของเราตรงนั้นมันก็สะอาดเอามือนั่นแหละ ก็ศีลก็ดีก็ปัญญาก็ดีเหมือนเอามือต่อมือร่างกันขูดกันสีกันเทาเท่าต่อเท้าร่างกันสีกันมันก็ให้สะอาดได้เราหนี้ก็เือนกันฉนันน้นเราคิดดูดิคิดประวัติที่เรียกว่าพระอะไรนะพระสารีบุตร ท่านไปพบพระด้วยตาของท่านเห็นเห็นเดินไปเห็นท่านเดินไปวินทบาทพระอริยะส า, าวกเดินวินทบาทท่านก็มองเห็นเมื่อมองเห็นก็เกิดความรู้สึ ก, กันแหมพระองค์เนี่ยแตกมาเกิดเนี่ยเดินไม่ช้าไม่เร็วกรีดีวอนสีกีวอนของท่าน ก็ไม่ชูดฉาดเดียบนีบ้เดินไปก็ไม่มองหน้ามองหลังชาเรือนไปทั้งบรทั้งรวงเกิดแปลกขึ้นในใจเลยอันนั้นเป็นเหตุเป็นเหตุแก่ผู้ที่มีปัญญาท่านภาษาริบุตรสงสัยก็ตรงเข้าไปกราบเรียนถามท่านอยากจะรู้ว่าใครมาจากไหนอะไรที่ไหนอย่างนี้ท่านไป กล่าวว่ า, าท่านเป็นใครฉันเป็นสมณะใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านเป้ว่าพระโกโดเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านสระโกรธนั่นท่านสอนท่านว่าอย่างไรพระอริยะบุคคลเนี่ย ท่านสอนมาทำมันเกิดเพราะเหตุเนอะเมื่อมันจะหลับเราะเหตุมันดับไปก่อนผลไปจึงดับไปด้วยนี่คือภาษาลิบุตริมณีในประเทศทฟังท่านก็โคตที่ว่าทำตัวด้วยฉั้นจะอธิบายธรรมะอย่างฟุ้งเฟ้อให้ท่านฟังไม่ได้จะอธิบายพอสังเกตสังเกตเท่านั้นนะท่านยกเหตุผลขึ้นมาท่ามเกิดเพราะเหตุ เหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับไปเหตุมันดับก่อนเท่านั้นพาะารีบุตรพอแล้วผมฟังทมได้ฟังทำเพราะทังเหตนั้นนะไม่ต้องพิสารดาแคนะ่เท่านั้นอันนี้เดียวว่ามันเป็นเหตุเพราะว่าในเวบานั้นท่านพระ า, ารีบุตรมีตาและมีหูและมีจมูกมีหิน มีกายอายนตนะสงสางครอบอยู่ถ้าหากว่าท่านอายาตนะหมดไปไม่มีมันจะมีเหตุไหมสัญญาท่านจะเกิดไหมท่านจะรู้อะไรต่ออะไรไหม น, นี่และพวกเราทางไหนกลัวมันเะกระทบะหรือชอบให้มันกระทบแต่ไม่ได้มีปัญญา ใันกระทบเปื้อยไปหูตาโหูจมูกเปี่ยนกายจิตได้เคลื่นเลยกระดัดูอันเดียวกันนั่นแหละให้มันรู้จักเราจะต้องปฏิบัติคนสอนง่ายก็ให้รู้จักคนสอนยากก็ให้รู้จักไอ้ให้รู้จักทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้ความจริงอืมเราจะต้องเอามาปฏิบัติ มันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแต่สิ่งที่ว่ามันดีๆมันถูกใจเราเราถึงจะชอบอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งในโลกเนี่ยบางสิ่งเราชอบใจบางสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันมีอยู่ในโลกมันไม่มีอยู่ที่อืน่นบางสิ่งเราชอบใจบางสิ่งเราไม่ชอบใจเนี่ยธรรมดาธรรมดาเราก็เรียกว่าสิ่งอะไรที่เราชอบใจแล้วก็ต้องการอันนั้นทะเนนอยู่ในการเมืองกัน ถาองค์ไหนไม่ชอบใจเราไม่ชอบไม่เอาเอาแต่องค์ที่ ช, ชอบนี่นี่นี่ดูทีเอาแต่สิ่งที่มันชอบไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นอย่างเนี้ยไอ้ความเป็นจริงนั่นเราเ น, นี่ยมีพระพุทธองค์สุ ป, ปการโลกวิถูเราเกิดมาดูโลกอันเนี้ยอ่าดูโลกเนี่ยให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจน โลกนี้ถ้าเร า, ารู้จักโลกันนี้ตามความจริงไปที่ไหนไม่ไหวไปไม่ได้จำเป็นจะต้องรู้จักอยู่ในโลกเต่ต้องรู้จักโลกพระอริยะ บ, บุคคลสมัยก่อนก็ดีพระพุทธเจ้าเราก็ดีท่านกอา็อยู่กับพวกนี้อยู่กับพวกผู้ทุชนนี่อยู่ในโลกเนี่ย ท่านก็แยกงเอาความดีในโลกนี่เองไม่ใช่ท่านจะเอาอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าท่านหนีโลกไปหาสัจธรรมที่อื่นแต่ท่านมีปัญญาสังวรสังรวมแบบอายรตตาโอ้จากโมกีงงนกายจิตของท่านอยู่เสมอไม่ใช่ว่าท่านหนีไปอย่างไรทำการประพุทธปฏิบัติเนี่ยคือการไปพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รัว ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ให้รู้เรื่องมันทะนั้นพระพุทธองค์ต่ันจึงให้รู้อายตนะเคลื่อนต่อตายไอ้ตามันก็ต่อเรูปออกมาเป็นอารมณ์หมูมันก็ต่อเอาเสียงออกมาจมูกมันก็ต่อเอากลิ่นออกมารินมันก็ต่ออารสออกมาร่างกายก็ต่อปุถะปาขามาเกิดความรู้ขึ้นนี่ ที่เกิดความรู้ขึ้นให้เราพิจารณาตามความจริงถ้าเราไม่ดูจากทางความเป็นจริงเราก็ชอบที่สุดหรือเราก็เกลียดมันที่สุดเนี่ยชอบมันอย่างยิ่งเกลียดมันอย่างยิ่งนีน่อารมณ์เนี่ยถ้ามันเกิดมา น, นี่ที่เรียกว่าที่เราจะกัดทะรู้ที่ปัญญามันจะเกิดตรงนี้แต่ว่าเรา นี่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านไหนสังวรสังรวมการสังวรสังรวมนั่นไม่ใช่ว่ามาเห็นมันเห็นไม่เห็นรูปม่ให้ได้ยินเสียงไม่ให้กลิ่มไม่รู้จักรดไม่รู้จักโกรธับผาไม่รู้จักคำอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นเออไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผููประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจ พอเห็นลูกแล้วก็เสียวฟังเสียงแล้วก็เสียวหนีด้วยเหนีไปไม่สู้เไม่สู้หนีไปก็นึกว่ามันจะหมดดิ้ดหมดเด็ดมันนะนึกว่าหนีไปแล้วกกมันจะจบลงนะนึกว่ามันจะพ้นไปไม่พ้นละ่ะเอไม่พ้นอันนั้นมันไม่พ้นหนีไปเฉยเฉยไม่รู้ตามความจริง แล้วข้างหน้ามันก็ไปโผก่ขนอีกก็ต้องแก้ปัญหาอีกเหมือนแผลที่ว่ามันเป็นแผลขึ้นมาอืมเรารักษามันซะบาดปาดแผลเดนมันก็แห้งใส่ยากขามันก็แห้งเท่าบาดแผลมันแห้งเฉพาะแต่ปาดแผลแต่ว่าไอข้างในมันยังอยู่คือมันดีแต่ข้างนอกคือบัดนี้เรามาได้ยินเสียงเนี่ยมาไเห็นดวงนี้ไปเท่านั้สบาย สบายเพราะอะไรเพราะไม่ได้ยินเสียงเพราะไม่ได้รู้รูปเพราะไม่ได้ลุงมฟินในรีบรถไม่ได้สะสบายเพราะอันนั้นสบายเพะนี้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออาไม่สบายเพราะความรู้เท่าตามความจริงอ่าเหมือ น, นการบาแผลที่ว่าบากแผลมันดีแห้งแล้วแต่ว่าทางในมันอยู่ไม่หายนานๆอักเสบเป็นมาทีนีง เนี่ยก็ไปผ่าอีกรักษาอีกเย็บอีกแล้วก็รักษาไว้แล้วข้างในไม่ดีแต่ปากแสลมันเดอดีอีกพอหยุดการรักษาแล้วนะตัวเนื้อมันดีแล้วเนี่ยนานๆต า, ายเป็นส่วนมันก็อาเจียนมาอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเช่นพวกปฏิบัติเราอนะ่ะ อยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดีก็ไม่สบายก็เลนไปตุรงอันนี้ไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพันอย่างให้มันจะสบายใจนะนก็ไปไปแล้วความเห็นไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้ น, นลงขึ้นไปภูเขาเออตรงนี้ก็สบายนะเอาละไม่รู้สบายกี่วันึงเบื่ออีก แ, แล้ว เอาลงไปทะเลหน่อยนะเออตรงนี้มันเย็นมีไว้อืมอตรงนี้พอแล้วเอาแล้วงานอีกก็เบื่อทะเลอีกแหละเบัวอภูเขาเบื่อป่าเัว่อท่าทัดอย่างมไม่เคยเบื่เป็นสั้นมาสิทธิเบื่เป็นมิจฉาสิทธิกลับมาแล้วต่อไม่เห็นอะไรกลับมาถึงวัดจะทําไงเนาะไปไงเนาะ ไม่มีอะไรจะได้มาและก็ทิ้งบาตรสึกเนี่ยสึดทำไมมันทึ้งสุดมันไม่มีชร่วงกันสึกเหมือนรองท้าเราเห็นไหมรองท้าที่ดีอย่างนี้เ็ามีชร่วงกันสึกไปถูกยิถูกตอไม่สึกมันกันสึกแล้วพระเรานีก็่ามันกันฉันนั้นไม่มีเรื่องตีมันกันสึกมันก็สึก เหมือนรองเท้าที่ไม่มีเครื่องกันสึกเหมือนกันอย่างนั้นถ้าไม่สึกไม่เห็นอะไรแสแล้วไปทิศใต้ก็ไม่เห็นไปทิศเหนือก็ไม่เห็นลงทะเลก็ไม่เห็นขึ้นภูเขาก็ไม่เห็นเข้าอยู่ในป่าก็ไม่เห็นไม่มีอะไรหมดเะแล้วตายเนี่ยมันเป็นใจอย่างนั้ น, นคือหนีไป นี้จากสิ่ง้ำหลายเรานี้ไปปัญญาไม่เกิดเอาลองลองดูนี่ก็เอาเนะเอาใกล้กันเนี่ยเราอยากจะอยู่ในความสงบระงับที่สุดน ะ, นะไม่อยากจะรู้เรื่องพระเรื่องเนรเรื่องอะไรต่างๆ น, นี่นี้่ไปเรื่อยๆกับอีกคนหนึ่งตั้งใจดีแล้วไปตรงนี้นั่นนะให้ไปอยู่ปกครงองตัวเองรู้เรื่องของตัวเองอยู่เรื่อย ได้กัคนอื่นมาอยู่เรื่อยจะรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแก้ปัญหาตลอดเวลาเึ่นถ้าเป็นเจ้าอาวาสสมมุติถ้าเป็นเจ้าอาวาสอันนี้เหตุการณ์มียุทุกเวลาปัจจุบันนี้ก็มีเลิกแต่แล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาอยู่ปลุกใจเราเสมอทีเดียวมันปลุกใจเสมอนี่เพราะอะไรนี่เพราะเขาถามปัญหาไม่หยุดนี่วะ ปัญหาไม่หยุดเราก็มีความรู้ไม่หยุดแก้ปัญหาไม่หยุดแก้ปัญหาตนด้วยปัญหาคนอื่นบวยสารพัดอย่างปัญหานี่คือมันตื่นเสมอแล้กวกลัวที่เรามันจะดับไปก็ตื่นขึ้นมาอีกจะเป็นเหตุให้พิจรารณาได้รู้เรื่องได้เป็นคนที่ฉลาดฉลาดเรื่องของตัวเองด้วยฉลาดเรื่องของคนอื่นด้วยฉลาดได้หลายอย่างความฉลาดอันนี้เกิดมาจากการกระทบ เกิดจากการต่อสู้เกิดจากการใม่นี้ไม่นีไปด้วยกายแต่เรามีทางใจมีทางปัญญาของเราเรารู้เลยปัญญาของเราอยู่มันตรงนี้นะแต่ว่าเราไม่หนีมันเราจะหนีมัน้วยปัญญาไม่หนีไปในทางกายด้วยกายเราเนี่ย อ, อันนี้เป็นเหตุที่จะให้เกิดปัญญาจะต้องทาจะต้องคุ้ครีอยู่ในสิ่ทั้งหลายเหล่านี้ กระมุนกันก็นที่เราอยู่ในวัดเราช่วยกันรักษาในต่างๆทุกทีอยู่อย่างนี้แต่บะเมินมองดูกั่นกตมันเป็นกิริตเนีเ่ยอยู่แตกับพระมากๆเน้นมากๆโยมมากๆเป็นกิเลตมากใช่ยอมรับเหมือนกันต้องอยู่ไปให้ปัญญาเกิดติ ด, ดให้มันลดความโง่ติด ออย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาพี่มันจะไปตรงไหนนะล่ะเราอยู่ไปเพื่อที่ว่าให้มันลดความโง่อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโง่ขึ้นมาจะต้องพิจารณาอืมตาหูจมูกจีงงจนกายมันจะกระทบเมื่อไรเป็นต้นก็ต้องสังวรหรือสังบวมพิจารณามาทุกข์เกิดขึ้นมาใครทุกข์เนี่ย ทำไมมันถึงทุกข์นี่ตั้ชาคาโรนิปกครองทุกิตวรรธนที่เป็นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์เกิดขึ้นมานั่นรู้สิให้มันรู้จักทุกข์ที่ทุกข์เกิดขึ้นมาน่ยเรากลัวทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์เลยจะไปสู้ที่ไหนละถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีกจะไปสู้ทุกข์ที่ไหนเล่านี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากที่สุดจ่ะต้องให้รู้จักทุกข์ การหนีทุกข์ก็คือให้รู้จักทุกข์ไม่ใช่ว่ามันทุกข์ที่นี่เราวิ่งไปนี่นี่หอบทุกข์ไปด้วยอยู่ที่นั่นนี่เกิดทุกข์เกิดทำไมวิ่งไปไม่ใช่คนหนีทุกข์คนไม่รู้จักทุกข์ถ้าพระรู้จักทุกข์เรต้องบูเหตุการณ์อธิกรณ์เห็นไหมอธิกรนะครับครูบาอาจารย์ท่านสอนอธิกรเกิดที่ไหนต้องให้มันระงับที่นั้นนี่เออทุกข์มันเกิดตรงนั้นเรื่องที่ไม่ทุกข์มันก็อยู่ตรงนั้น เออเรื่องที่ทุกข์มันจะหายไปก็อยู่ตรงที่มันเกิดทุกข์ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมาต้องพิจรารณาตัวดอธิกรณ์ตรงนี้เราหนะีไปไม่ต้องหนีน่ะต้องแก้อธิกรณ์ให้มันจบอยู่เรื่องของมันทุกข์เกิดตรงนี้เราหนีไปใช่กลัวมันทุกข์นี่แหละคือโง่ที่สุดนะสร้างความโง่ขึ้นตลอดเวลาอ่า เ, เราต้องรู้ซะเนี่ยเราตั้งใจดีแล้วอืม ทุกเนี่ยไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ทุกขษัตริย์หรือเนี่ยเรื่องทุกอะเราจะเห็นแง่ว่ามันไม่ดีหรือเนี่ยทุกขษัตริย์อืทุกขษัตริย์สมุทัยกสัตว์ยิโรตษัตริย mm ์ม hmm. รรคษัตริย์ถ้าเรามีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่ปฏิบัติการสัจธรรมเท่านั้นเนี่ยมันจะพบทุกอะไรมันจะรู้เรื่องอะไรเรามีทุกเรื่อยไป เราไม่รู้จักทุก็หนีไปเรื่ยไปทุกนี่มันเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ถ้าเราไม่กําหนดมันจะรู้มันเมื่อไรไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปด้ว่อยในเมื่อเราทสงครามเราหมดหมดประเทศพยามารเอาหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแค่พระเจ้าองอมท่านหนีด้วยปัญญาเปรียบมาหนึงว่าเรามีเที่ ย, ง, ยงดูน้ำนะอ่อ ตาำข้าเราในน้อยเดินไปเจ็บปวดบางทีก็หายหายไปบางทีก็เดินไปมันถูกหัวใจมันถูกสะดุกมันเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็มาคลําดูมันถ้ามันอยู่ตรงนี้คลําไปคลามาก็ไม่เห็นแล้่ขี้เกียจดูมันก็ปล่อยมันไปัอีกต่อก็เดินไปถูกจังหวะมันอีกเป็นต้นคลำอย่างนี้เรยๆมาเนี่ย คือคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั่นน่ะเราจะต้องกำหนดรู้มันไม่ต้องปล่อยให้มันทิ้งไปนะเหมือนเสี้ยนที่มันเราเท่าเราไปตำหนามันะเมื่อเจ็บปวดขึ้นมาเมื่อไรเอ้ออันนี้มันยังอยู่นะเนี่ยเมื่อเจ็บปวดเมื่อความรู้สึกว่าจะเอาน้ําออกจากข้าวเรามันก็มีพร้อมกันมาถ้าเราไม่เอามันออกมันก็เจ็บปวดนานๆเจ็บปวดนานๆเจ็บปวดอยู่อย่างเนี้ยคงที่สุดแล้วเนี่ย ไอความสนใจที่จะเอาน้นาออกจากข้าวเรามันมีตรอบเวลาอีกวันหนึ่งจะต้องตั้งใจเอานามออกจนได้เพราะมันไม่สบายอันนี้เดียวไอการฟารบความเพียรของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันขัดที่ตรงไหนมันไม่สบายที่ตรงไหนมันติดตรงไหน ก, ก็ต้องมีเจนาที่ตรงนั้นแก้ไขที่ตรงนั้น ไอ้แก้ไขที่ไอ้ไอ้น้ำเพียมันยอดเท้าเรานั่นแหละงัดมันลงตรงนั้นแหละอืมเอาตรงนั้นแล้มันออกตรงที่มันเจ็บปวดนั่นแลหละออกไอ้น้ำอยู่ตรงนั้นอันนี้เปรียบอุบาห้ฟังอย่างนั้นจิตใจของเราจะมันติดอยู่ที่ไหนอะไรนั่นเราก็ต้องรู้จักอยู่อย่างนั้นอืมคำไปคำ ม, มาก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น แต่ความเพียรของเราไม่ถอยเหมือนกันไม่หยุดท่านเรียกว่าวิริยารมพระวิริยารมพระปลาลบความเพียรอยู่เสมอเอมื่อเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเมื่ อ, อไรในเท้าขเราเนะี่ยปลาลบาจะเอาน้ำออกเสม อ, อจะบ่งน้ำออกเสมอไม่ได้ขาดเลยไอ้สิทุกทางใจมันเกิดขึ้นมาด้วยกิเลสปัญหานี้ เราก็มีความรู้สึกความรู้คมเพียรเสมอว่าจะพยายามเนีพยายามฆ่ามันพยายามละมันอยู่ตลอดเวลาตามไปมีมีหยุดอย่างนี้อูกวันหนึ่งมันก็จนงงเราถึงที่กันนะเรากตัดทุบมันได้ก็เหมือนกันกับไอ้พีนาเกื่มันย่อเข้าเราพีนาด้ื่อยๆมันจะเห็นที่ของมันนะอีกวันหนึ่งแล้วก็ในที่มัน จะต้องมีโอกาสบง่งนาหมอกเกยนได้ต้องพิจารณาอย่างนั้นเพราะนั่นเรื่องสุดทุกเนี่ยเราจะทำยังไงมันไหมถ้าไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนะี่ยจะเอาอะไรเป็นเหตุไหมเอมอะจะเอาอะไรเป็นเหตุไห ม, มถ้าอันนี้เหตุไม่มีผลมันจะเกิดตรงไหนเล่าอ่า นี่เดา๋ยวทำนี่มันเกิดพ่อเหอตุเมื่อผลมันจะดับไปนั่นก็เหตุที่มันดับไปก่อนผลมันจึงดับไปด้วยมันเป็นในธรรนองอันนี้แต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจจริงอยากจ ะ, จะนหนีทุกตัวนี้เนี่ยอย่างนี้อืมอันนี้เรียกว่าเรารู้ไปถึงมันไอความเป็นจริงเน่านั่นน่ะท่านอยากจะรู้อันนี้รู้โลกอันนี้ที่เราอยู่เนี่ย ไม่ตรงนี้ไปทางไหนล่ะจะดยู่ก็ได้จะไปก็เป็นจะให้มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่พิจารณาให้ดีให้ดีวางมันสุขมันทุกข์อยู่ตรงไหนถ้าเราที่เราว่าไม่ยึดหมายหรือมันไม่มั่นหมายของมันนั่นอันนั้นมันก็ไม่มีทุกข์มันความ่เกิด ไอ้ทุกข์เนี่ยไอ้ไอที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากภพมันมีภพที่จะเกิดมันก็ต้องไปเกิดที่ภพคือความเกิ ด, ด้วยหนึ่งมันจะเกิดที่ภพตัวอุปาทานนีแหละมันเป็นภพอืมนะยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันเป็นภพให้ทุกข์เกิดเนะไอ้ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาดูเถอะ อยากไปดูไปไกลจะดูปัจจุบันีดูกายดูจิตของเราเดียวนี้ที่เราปฏิบัติอยู่เดียวนี้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเป็นทุกข์ดูด้แล้วนั้นเนี่ยเมื่อสุขเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันเป็นสุขดูเรื่องนั้นน่ะมันเกิดตรงไหนนี่ยให้มันรู้จักเรื่องนั้นทุกข์เกิดที่อุปาทานทุกข์เกิดที่อุปาทานทั้งนั้นการเกิดขึ้นมามันต้องอาศัยภพคือชาติ ถ้ามันมีชาติขึ้นมามันต้องมาจากพบมันจึงมีชาติชาติป็นมีชรลาชลามีพยาธิมีมรณะโศกปริเทวนาทุกข์ไปเลยไม่ต้องเบื่อไกลแล้วเรามาดูเดี๋ยวนี้อุปทานให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัว ถ้ามีอะไรที่ชอบใจก็อุปทานอันนี้ของฉันอันนี้ฉันชอบใจก็ดีใจพะนั้นเนี่ยนี่ยนี่ถ้ามันเกิดมาเนี่มันเกิดเพราะอะไรอุปทาน ด, ดูง่ายไม่ต้องดูมันนานหรอกอืมไอสิ่งใดที่มันมีภพอันหนึ่งที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์มันจะเกิดทีภพเ น, นี่ยทุกข์นี่คือชาติทุกข์เมื่อชาติเกิดขึ้นมาทีภพ เป็นทุกข์เ<ม>นี่ยเกิดขึ้นมาตรงนั้นชาตินี้มันก็รู้จกักที่เกิดมันคือทุกข์สุก็ดีทุกข์ีมันเกิดจากทุกข์ตรงนั้นเนี่ยท่นึุงากิมาเป็นเป็นชาติทุกข์เกิดทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่งเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็เป็นชาติอันหนึ่ง ไม่ใช่ว่าไอ้คนมาเกิดมาแต่มันตายไปวันนี้พรุ่งนี้หรือไม่ใช่อย่างนั้นอารมณ์ที่มาเกิดกับจิตแต่มันดับแล้วมันเกิดมันดับมันเกิดนี่คำว่าไอ้คมเกิดมีชาติพันชาติอันนั่นตนในสนใจที่เรียกว่าเกิดเด็กคนตายแล้วเกิดนั่นนะตอนพุทธองค์ท่านไม่คยคนชนใจเท่าไหร่ครับ